ไม่ใช่เข้าคิวแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงนะมีบางคนเนี่ยเข้าคิวถึงสามสิบแปดชั่วโมงนะมันวันครึ่งเดียๆนะกลางเต็นท์กันเลยเพราะว่าร้านที่เปิดนี่ก็เขาเปิดกันไม่กี่ร้านแต่คนต้องการนี่เป็นพันเป็นหมื่นนะในแต่ละเมืองแต่ละเมืองครานี้บางคนเนี่ยอยากได้มากแต่ไม่มีเวลา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 ก็มีคนคนหนึ่งเนี่ยแกเปิดบริษัทที่เป็นคนดำแกตกงานตอนหลังก็มารับจ้างเข้าคิวก็มารับเข้าคิวให้กับคนที่ต้องการซื้อ iPhone <c oughs> รุ่นห iPhone เนี่ยที่อเมริกามันราคาประมาณ200รอยดอลลาร์ก็ประมาณ6 0พันเศษเศษ6 0พันเศษเศษนะมม่รู้พอมันทำไมมาถึงเมืองไทยมันเป็นหมื่นไปได้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 เพราะฉะนั้นราคาในการรับจ้างเข้าคิวนี้นะก็ประมาณเกือบเกือบแ0ดร้อยดอลลาร์ก็คือเจ0ดอหกสิบดอลลาร์นั่นแหละค่าเข้าคิวเนี่ยแปดร้อยดอลลาร์นะเอาเป็นตัวเลขกลมๆแต่ว่าค่าเครื่องเนี่ยสองรอยดอลลาร์ก็หมายความว่าค่าเข้าคิวเนี่ยนะมันสี่เท่าตัวของราคาเครื่อง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 ต่อคิวนี่เขาบอกเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีคนแบบนี้เยอะมากคือพวกกลัวตกกระแสเป็นอาการชนิดหนึ่งนะของคนสมัยใหม่กลัวตกกระแสคือถ้ามีของใหม่เนี่ยฉันจะต้องได้เป็นคนแรกนะถ้าได้ทีหลังนี่ไม่ไม่เอานล้วมันก็น่าแปลกนะบางคนก็อุตส่าห์เข้าคิวเป็นห้าหกเจ็ดชั่วโมงสิบชั่วโมงหรือว่ายอมจ่ายเงินแพงๆเพื่อจะได้ไอโฟนหกมาแต่พอปีหน้านะ ไอโฟนโถงนี้เขาคงไม่อยากจะรับแล้วไม่อยากจะใช้แล้วละ่ะหลายคนเนี่ยเพื่อปีที่แล้วนี่อดตะละกครับตนนอนไปเข้าคิวเอา i ไอโฟน5ตอนนี้อยากจะทิ้งแล้ว i ไอโฟน5ไม่เอาแล้วฉันเจ้จะเาะไอโฟน6แล้วคนที่อยากจะได้ iPhone 6นะวันนี้นะอุตสาเสียเงินอุตสาเสียเวลานะไปเข้าคิว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 เดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าใครไม่มี p h o ฟ e ไม่มี iPad นี่รู้สึกทุกข์รู้สึกเสียหน้านะแต่มันแปลกนะเคยมีคนถามสตีฟจ็อบ s นะสตีฟจ็อบตอนที่เขาไม่ตายเนี่ยเขาตายมาเพิ่งครบ2ปีนะหรือสาปีวันนี้เขาตายวันที่6ตุลาู้สึกจะปีห้าสี่มั้งนี่ก็สามปีพึ่งผ่านไปก็มีคนถามสตีฟจ็อบซึ่งเป็นคู่เป็นผู้ผลิต iPad นะคนพบ iPad ว่าเนี่ยนักข่าวถามว่านี่